หน้ากลุ้มโดยดังตรินตอนที่22สงเฮอ้อสงกรานเลือดเล่นกันถึงตายวัยรุ่นชายกรูกันลงมาประแป้งสาวก่อนอุ้มตัวโยนลงไปในคลองชนะระทานแต่สาวช็อกตายด้วยความหวาดกลัวเนื่องจากว่ายน้ำไม่เป็นประกอบกับมีโรคประจำตัวหลายโรค ผมคิดว่าถึงวันนี้หลายคนคงชักรู้สึกต ง, งิดต ง, งิดว่าเรามีเทศกาลสงกรานต์กันไปเพื่ออะไรกันแน่เพราะเดิมทีเรามีวันสงกรานต์ไว้าศาสตร์สุขจะดูเหมือนถึงวันที่13เมษายนของสหัสวรรษใหม่นี้ไทยเรามีวันสงกรานต์ไว้าศาสตร์ทุกขกันที่นอนที่นี่ทวีจานวนเพิ่มขึ้นทุกทีคำว่าสงกรานต์นั้นหมายถึงการเคลื่อนย้ายจากราศีเป็นปีใหม่